พระธรรมเทศนาแผ่นที่62ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่11เมษายน2557มีชื่อเรื่องว่าทั้งพ่อแม่และครูบาอาจารย์สำคัญด้วยกันวันนี้เป็นวันที่11 เมษายนพุทธศักราช2557เมื่อวันวันที่สิบทางนายอำเภอและก็หัวหน้าส่วนราชการอำเภอนายุงแล้วก็พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นมีอำเภอนายุงน้ำโสมและก็บ้านผือสังคมก็เห็นหลายคนที่มาเมืม่อวาน พี่น้องประชาชนกับหลายร้อยคนอยู่มากพอสมควรเมื่อวานแต่เป็นพี่น้องในท้องถิ่นที่มาทำพิธีมุดน้ำดำหัวตามประเพณีแต่ตอนเช้าหลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับพระคุณของบิดามารดาเพราะคนในท้องถิ่นมารู้สึกว่าในช่วงนี้ข่าวต่างๆ ลูกข่าพ่อข้าแม่ปีเดียวได้ยินอสองสามเรื่องรู้สึกว่าอนันตรียกรรมห้ามาทุกขาดปีตทุกขาดเนี่ยบ่อยสรุปแล้วก็คือเศรษฐกิจหรือว่ากิเลสราคะโทสะโมหะของลูกหลานพี่น้องประชาชน ขาดการยับยั้งไม่รู้จักบุญคุณผู้มีอุปกรคุณ เ, เมื่อท่านหามาด้วยความยากลำบากกว่า จ, จะตั้งครอบครัวได้กว่าจะเลี้ยงลูกใหญ่ตัวเองเกิดมาแล้วก็จะรัดคิวว่างั้นจะรัดคิวจะรวยแบบรัดคิวพยายามวางแผนฆ่าเจ้าของมรดก ที่เขาหามาด้วยความยากลําบากตัวเองก็จะมาเป็นผู้ครองครองสมบัติเลยดูดูแล้วมันมีอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเหตุไรเพราะคนไม่คิดว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงเพราะนั้นจะเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันมันหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเมื่อวานหลวงพ่อก็เลยพูดถึงพระคุณของ บิดามารดาแต่ออกไปข้างนอกทำพิธีสงน้ำพระพุทธปฏิมาอัครสาวกแล้วก็ทำพิธีมุดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้โอววาสทิศ ท, ทั้งหกในหลักของพระพุทธศาสนาก็ไม่พ้นเรื่องทิศเบื้องหน้า มารดาบิดาที่เรามองเห็นตื่นลืมตาขึ้นมาทีแรกกันเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ก่อนพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูตลอดเห็นก่อนใครอื่นเดีย๋ยวทิศเบื้องหน้ามองขึ้นมาก็เห็นหน้าหน้าพ่อหน้าแม่ทิศเบื้องหน้าของเรามารดาบิดาบุตรธิดาควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อวานในหลวงพ่ออธิบายให้ฟัง เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาเลี้ยงท่านตอบนะอันนี้คือท่านไม่ให้ปล่อยปลาละเลยแต่วันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสองวันพรุ่งนี้วันที่สิบสามเป็นวันสงกรานต์แต่วันที่สิบสี่นะ่ลูกหลานคนในวัดเป็นวันมรณะของโยมแม่ของหลวงพ่อครบรอบกี่ปีแล้วเนี่ยหลายปีแล้วนะท่าน าตายด้วอมรณะวันที่14เป็นวันศุกร์ล้หกพอสมควรแต่ถึงวันนี้หลวงพ่อยังล้ำลึกถึงพระคุณของโยมแม่ของหลวงพ่อแต่โยมพ่อในเดือนธันวากำลังหนาวจัดหลวงพ่อจากไปแต่โยมแม่จากไปร้อนจัดจู่คนละขั้วกันาจากไป อายุของโยมแม่กับเก้าสิบห้าโยมพ่อกับปีต่อไปถึงได้มรณนะหรือตายปีถัดไปโยมพ่อก้าสิบกแต่โยมพ่อก็โยมแม่อายุปีเดียวกันนี่แหละเก้าสบห้าเก้าสิบกก็มากพอสมควร แต่ถึงยังไงเมื่อท่านจากไปแล้วฐานะหลวงพ่อเป็นพระหลวงพ่อก็อุทิศส่วนกุศลบำเพ็ญสิ่งไหนก็ตามเป็นบุญเป็นกุศลถ้าว่าท่านทั้งสองไปอยู่ในภพภูมิใดขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากเราที่ยังมีร่างกายได้บำเพ็ญคุณงามความดีจิตใจร่างกายของเราได้บำเพ็ญคุณงามความดี จะเป็นทางด้านวัตถุถึงด้านนามธรรมนนามธรรมก็คือเรื่องภาวนาเรื่องด้านวัตถุก็คือเรื่องทำบุญสงเคราะห์อนุเคราะห์โลกตลอดถึงการแนะนาบอกกล่าวธรรมเทศนาบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลให้มีส่วนร่วมทั้งหมดเพราะว่าร่างกายของเราได้มาจากพ่อแม่อันนี้หลวงพ่อลำลึกอยู่ตลอด เวลาเพราะลำลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาเนี่ยอันนี้ก็ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาถักหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ให้พวกเราที่เป็นบุตรธิดาให้ลำลึกถึงพระคุณของผู้มีอุปกรณคุณคือบุพการีบุคคลผู้มีอุปกรณก่อน พวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวที่ตายอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานท่าบุตรธิดามีสติมีปัญญาก็ร ะ, ะลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ได้กว้างไกลแต่ถ้าว่าลูกของเราโง่เง่าเต่าตุนก็ไม่ระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ไม่ได้มีแต่ชกฉ่วย สุขสวยที่ว่าจะเอาอยัางไงจะจะได้จากพ่อจากแม่ให้มากที่สุดแก่งแย่งชิงสมบัติของพ่อแม่ที่หามาเนี่ยที่จะแบ่งให้ลูกทุกคนตัวเองน่ะไม่อยากจะหาหาที่อื่นอยากจะเอาจากพ่อจากแม่เนี่ยนะหมอพ่อแม่เนี่ยที่มันจะเห็นได้ง่ายๆแต่ไปหาที่อื่นมันหายาก เอาคบพ่อแม่ไน้ง่ายกว่าจะได้โดยวิธีการอย่างไรพอลูกโง่ต้องคิดเพียงแค่นั้นแต่ลูกฉลาดแล้วพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลำบากขาสองสมองหนึ่งความรู้ความฉลาดทุ ก, ทกอย่างพ่อแม่เกื้อกูลหนุนส่งเราเรียนหนังสือสัมมาสัมมาชีพในพื้นโลกในพื้นแผ่นดินไทยมีมาก ที่พวกเราจะต้องกระโดดออกไปต่อสู้กับโลกกว้างเพื่อจะสะแสวงหาทรัพย์ถ้าเรามีปัญญามีสติมีปัญญามีความพยายามมีความเพียรมีความอดทนย่อมหาทรัพย์ได้สรุปแล้วก็คือผู้หมัน่นขยันผู้มีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ที่เราหาทรัพย์ไม่ได้เพราะเราเป็น โง่หรือเปล่าแต่ตัวมากไม่ชอบมองตนเองชอบมองไปข้างหน้าถ้าว่าใครว่าเราโง่โกรธโมโหโทกโกทาให้เขาอีกแต่ตามไม่จริงมันก็เข้าเรื่องนั้นแหละคือขาดความขยันแล้วก็ไปในทางโง่มันจึงมันจึงหาทรัพย์ไม่ได้ันั้นขอให้พวก เราทุกๆท่านนะซัพภายนอกก็เหมือนกันซับภายในก็เหมือนกันซัพภายในก็คือการบำเพ็ญทางด้านจิตใจจิตตภาวนาอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเรื่องจิตตภาวนาเพราะนั้นครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านจึงเรียกครูบาอาจารย์เหมือนกับพ่อแม่เสร็จแล้วก็ยังครูบาอาจารย์อีกพ่อแม่ เลี้ยงให้แต่ร่างกายพวกเราจะนั้นกระสงเสียในการเร่าเรียนหนังสือพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณเลี้ยงร่างกายของเราแต่ครูบาอาจารย์ให้ประสิทธิ์ประสัดความรู้ให้กับเราแต่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่เราเข้ามาบวชอย่างเราไปบวชหลวงพ่อประไปอยู่กับหลวงปู่ล่าอนี้หลวงปู่ตาเนี่ย เราจะเรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะอะไรเพราะท่านเหมือนกับพ่อแม่ให้ความอบอุ่นดูแลเราเตืองปัจจัยสี่ไม่ให้ขาดเหลือขาตกเมื่อเราพึ่งพาอาศัยอยู่กับท่านจากนั้นท่านก็ให้ธรรมะอีกภาวนาอย่างนี้นะเดินจงกลมอย่างนี้นะกำหนดจิตใจอย่างนี้นะจึงจะไปในทางสัมมาทิฏฐิจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอันนั้นท่านจึงท่านครูบาอาจารย์รุ่นพ่อแม่ครูจะครูบาอาจารย์ของเราท่านจึงเรียกลวงปู่มั่นลุงปู่สาวพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นค่ะคล้ายๆว่าทั้งเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ด้วยสรุปแล้วก็คือท่านให้ทางการเป็นอยู่แนะนํา เรื่องเกี่ยวกับวิญนาณท่านก็แนะนําและทางด้านจิตใจภาวนาอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรท่านก็แนะนําให้ทั้งกาให้ทั้งวัตถุ ด, ด้วยให้ทั้งนามธรรมาด้วยคิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงจึงจะหลุดพ้นจากอาสวัคคิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารตามแนวแถวของพุท ธ, ธะเพราะไรเพราะท่านได้ผ่านมาแล้ว รู้เห็นมาแล้วท่านเจียงมาแนะนำพวกเราเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนับว่าเป็นผู้โชคดีเราไม่ต้องอคำาหาทางใหม่ เ, เราดูตามแผนที่ของพ่อแม่กูบาอาจารย์แ น, นะนำบอกกล่าวนี่ก็ เ, เป็นบุญเป็นกุศล เ, เป็นคุณงามความดี เ, เป็นบุญกุศลของพวกเราอย่างมากพวกเราไม่ได้หา ไม่ได้สแสวงหาท่านบอกไว้แล้วเทินผ่านมาแล้วท่านรู้แล้วนะจากนั้นท่านก็สอนมาเป็นทอดๆหลวงปู่มั่นอธิธาตุของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุพอออกมาของครูบาอาจารย์แต่ละองค์เป็นสิจานุสิทธิ์อธิธาตุของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นอีกแสดงว่า ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือทมคำสอนของครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสเนี่ยยังเป็นแนวแถวยังเข้มข้นอยู่ยังเป็นสายของพระริยะสงสาวกอยู่เพราะนั้นกอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้มั่นใจและปฏิบัติตามตามแนวแถวของพุทธตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่เพียงจิตสงบ เท่านั้นเราก็รู้ได้แล้วว่ามีความสุขจริงถ้าใจของเราปุงฟุ้งตลอดจิตใจของเราเอาไม่อยู่มันปุงฟุง้งลอคิดดูสิมันดูดูแล้วมันจะเป็นบ้าเป็นบอได้ง่ายๆแต่เรากำหนดดูสิมลมลมกหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ดูใจของตนเองว่าเราคิดเตื่องอะไรขณะนี้เดี๋ยวนี้มันปุงไปทางไหนให้สติทัน ผู้รู้ให้สติทันใจให้จติตทันแนวความนึกคิด เ, เพียงแค่นั้นละ่ะใจของเราหยุดสงบลงมาพอสงบใจสงบเพียงแค่นั้นละ่ะเราก็มีความสุขละ่ะความสุขลึกๆรู้เลย เ, เหมือนกับใช้ ย, ยาถูกกับโรคลักษณะอย่างนั้นละ่ะ เ, เหมือนกับมันเป็นโรคมันร้อนวุ่นลุมเล่าอยู่ในจิตใจ พอใสา่ยาเข้าไปหยิดใจรู้สึกเย็นสงบลงในระดับหนึ่งแต่ถ้าว่าเรามีความมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงพยายามใส่ยาโดยสม่ำเสมอพยายามให้ทาให้จิตใจอยู่ในระดับไม่ให้ปุง่งฝุ้งให้อยู่ในสมาธิอยู่ตลอดนั่นแหละเมื่อจิตใจสงบเข้าสู่ความสงบแล้ว เป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วแต่นั้นเราถอนออกมาเถอถอดใจออกมามาพิจารณาเพิจารณาถึงเรื่องราวที่มันปุงพุ้งนําไปยังไงแล้วพิจารณาถึงที่เราไปติดข้องไปข้องแวะนั้นคืออะไรจิตใจที่เราไปให้ความสำคัญนั้นคืออะไรผลที่สุดกับ เ, เรื่องของกิเลสทั้งนั้นจากนั้นก็พิจารณากายกายของเรานี่ใช่ไหม ที่เราจะเข้าไปอยู่ในจุดนั้นเราใจของเรานี่ไปหาไปถากถางให้ร่างกายของเราไปอยู่จุดนั้นใช่ไหมใจใจของเราเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นแนวทางไปกุยหมยป้ายทางอยากจะให้ใจของเรามีความสุขอย่างนั้นใช่ไหมใจถ้าเมื่อกายของเราไปอยู่จุดนั้นแล้วกายของเราจะอยู่โช่ฟ้าดินสลายตายไม่เป็น อย่างนั้นใช่ไหมใจถ้าเรามีทำรรในใจเราก็จะดึกอืมใช่ถึงเราจะกุ้ยหม้ปลายทางถึงเราจะไปทําให้ดีขนาดไหนถึงอย่างไงก็เถอะใจกายของเราก็ไปอยู่ในช่วงนั้นไม่นานเอออย่างหลวงพ่อเนี่ยนี่เห็นไหมมาอยู่ถึงจุดนี้แล้ว เ, เราจะไปอยู่มองไปข้างหน้าเลยเหมือนกับหน้าผามองเห็นหน้าผาอยู่แล้วเออมันถึงจุดจบแล้ว แล้วจะไปทางไหนอีกไปถึงหน้าผาล่ะมีแต่จอนอะไรจงกระเบนเหมวนตัวแล้วกระโดดลงหน้าผาท่านเองแหละแต่ทำยังไงได้ เ, เพราะเห็นอะไรเพราะว่าชีวิตของพวกเรามันไปลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น เ, เราพิจารณาดูสิ ใจของเราอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาอย่าไปให้ความสําคัญเรื่องโลกวัตฏสงสา ร, รเกินไปเพียงแต่รักษาประคับประคองร่างกายของเราไปเรื่อยๆให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าลืมเรื่องภาวนาเรื่องนามนธรรมเรื่องจิตใจไปด้วยอย่าให้อย่าให้คาโต้บกพร่องแต่เรื่องวัตถุภายนอกเรื่องปัจจัยสี่เราก็สะสะแสวงหา เครื่องเลี้ยงชีพอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่อย่างนี้ละ่ะเราก็ไม่ถือว่าขาดตกบกพร่องเรื่องปัจจัยสี่พอเป็นไปได้พอเราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราเนี่ยเราก็ฉันเพียงมือเดียวเราก็เราก็ไม่เห็นผอมอะไรเพเผอยังอดอาหารอีกเพื่อบอมเพ็ญทางด้านจิตใจถ้าเราไม่อดอาหารทุกวันก็มีแต่ฉันให้อ้วนหมีพีมันอยู่ตลอด เพราะนั้นเมื่อร่างกายอ้วนสมบูรณ์ก็ททำให้ใจของเราไปในทางการมั ก, กเลตพูดง่ายๆเพราะว่าร่างกายของเราสมบูรณ์ท่านต้องพยายามให้ลดความสมบูรณ์ของร่างกายลงเมื่อลดลงแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกายเนี่ยเราจะมองเห็นเห็นได้ชัดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนั้นเรื่องการพิจารณามันต้องอาศัยทั้งกาย ทั้งรูปธรรมด้วยทั้งนามธรรมด้วยเราให้มองทั้งสองอย่างรูปธรรมมันสมบูรณ์เกินไปหรือเปล่าเราให้ความสําคัญเรื่องรูปธรรมมากเกินไปหรือเปล่าแต่มันไปส่งเสริมขนาดไหนก็เถอะรูปธรรมมันมีจุดจบอย่างนั้นใช่ไหมใจเพราะนั้นให้มองทั้งสองข้างทั้งรูปธรรมและนามธรรมถ้าเมื่อเรา มองดูทั้งรูปธรรมคือร่างกายส่วนร่างกายส่วนประกอบของร่างกายการเป็นอยู่ของร่างกายและก็มองนา ม, มะธรรมคือทั้งด้านจิตใจที่เราไปลุ่มหลงมัวเมาทะเยอทะยานเรื่องอะไรใจในเมื่อเรามองทั้งสองด้านจากนั้นเราก็มาดูที่ใจใจของเราต้อ ง, องการอะไรลุ่มหลงอะไรโลกอันนี้มันไม่ใช่ของเที่ยงนะเป็นอนิจจังทุกทั้งหมดนะขนาดใจตัวเองก็ยัง ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในใจอีกปล่อยวางลงที่ใจอีกใจไม่ใช่เราเออนา ม, มาธรรมตัวนี้มันมีเป็นนึกคิดอนิจจัง เ, ออเป็นอนิจจังสิ่งนี้ที่ไหนเป็นอนิจจังสิ่งนั้นต้องเป็นทุกขังในเมื่อเป็นทุกขังจะเป็นตัวตนได้อย่างไรต้องเป็นอนัตตามิใช่ตัวตนของเราในแหละมันวางลงที่ใจนะในการประพฤติธปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปที่ไหนนะ แต่ที่อื่นกับเพียงแต่ตีตล่อมเข้ามาแต่เองมันไปคว้าที่ไหนเราก็ไปมองถูกมันเจียงไหมเป็นความสุขที่แท้เจียงไหมที่ใจไปยึดจุดนี้เออไม่ใช่เอากลาบเข้ามาเกาะตรงนั้นเองไปเกาะในตาไปเห็นรูปอยากจะได้รูปสวยๆงามๆหูได้ยินเสียงยจะไปเจาะในเสียงเอกเออจมูกออดมกลิ่นลิมริสัมผัสอยากจะได้ทั้งหมด ออพอมันไปเกาะไปติดนะ เ, ออเป็นของเจียงไม้ไปดูทางตาออแล้วก็พิจารณาทางตาไม่เที่ยงทางหูได้ยินก็ไม่เที่ยงทางจมูกก็ไม่เที่ยงทางรถก็ไม่เที่ยงทางสัมผัสก็ไม่เที่ยงเพราะใจตัวเองบันทิ้นล่นอยู่ตลอดบุกิตกุนิตกุหิตกุนิดอยู่ตลอดอ อ, ออกนอกลูออ่ออกสัมผัสทางตาทางหูทางจมูก วิ่งหลอกอยู่ทั้งวีทั้งวันทุกเวลาแต่ใจตัวเองก็หมุนอยู่ตลอดเวลาอีกสรุปแล้วก็คือของไม่เที่ยงทั้งหมดเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้พิจารณาในจุดนี่เนะให้ดูใจสรุปแล้วนะปล่อยวางที่ใจเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงในใจแล้วปล่อยวางที่นั่นน ะ, ะ, ะมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามหาที่ไหนมันอยู่ที่ใจนะ ถ้ารั่อนนะท่านนี้อนุโมทนาให้พ่อน